ฟำลังทำกันตาเป็นผู้พูดร่างหลายเป็นผู้ฟังเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการงานที่เราทำอยู่เวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมกรรมฐานมันเป็นเรื่องของเราทุกคนสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งเดียวกัน สิ่งที่เราเห็นก็เป็นสิ่งเดียวกันสิ่งที่หลงตาพูดก็เป็นสิ่งเดียวกันมันจึงเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิดความสะดวกเหมือนกับเราจะเดินทางให้รู้จักแผนที่จับหมายเลขแผนที่ให้ได้จะไปไหนทางใดถ้าเราไม่มีแผนที่ ไปง่ถูกบางทีเราลู่เผนที่คนพาไปแล้วพาไปไม่ถูกเราก็แก้ไขออาเคยไปเที่ยวต่างประเทศบางทีคนพาไปเหมารถพาไปเขาไม่รู้เราก็เอาแผนที่มากลางให้เขาดูนี่มันไปตรงนี้ ลราก็ปาไปถูกต้องในชีวิตเราก็มีแผนที่เริ่มจับทางชั้นแรกเบื้องต้นก้าวแรกก็มาดูกายนี่กายนี้ไปเป็ น, ปนสิ่งที่บอกผิดบอกถูกอิจนาเป็นสิ่งที่บอกผิดบอกถูกจิตที่มันเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่บอกผิดบอกถู ก, ก, ก, อ, ก, อ, ก, ถกอารมณ์ที่เกิดขึ้น เป็นชิงบอกผิดบอกถูกอย่าหลงพูเจ้าก็ชี้ให้แล้วชี้ทางให้แล้วตั้งเันเอกหายเลขหนึ่งมันจะเดินทางเข้ากรุงเทพสองศูนย์หนึ่งไม่ใช่อบอกเลยนะ <laughs> จับหมายเลขสอนสูนหนึ่งก็ถึงกรุงเทพแน่นอนนี่คือแผนที่ พระเจ้าก็แสดงให้แล้วว่าเอกมรโควิสุทธิยาหลายเลขหนึง่งที่จะเป็นทางไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่มรรคผลนิพพานทางเส้นนี้ต้องเดินเราเองเดินคนเดียวไปที่เดียวไปถึงจุดหมายไปทางที่เดียวกันเราก็เริ่มต้นเห็นกาย พระเจ้าก็บอกไว้ว่ากายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในกายนี่มันก็มีหลายอย่างบางทีท่านเกิดหลงเกิดลูกเกิดชุกเกิดทุกข์ราะกายต้องแงะอยู่ถึงเวลาไปกับกายเวลามันบอกเราไม่รู้รีบเอาสาจับเอาช้ามันชุกก็สุขไปเลยเป็นตัวเป็นตนกับกาย กายไม่มีกายกายในกายถ้าเป็นตนอยู่ในกายเรียกว่ากายในกายผิดแล้วถ้าเป็นสุขกว่ากายเป็นทุกขกว่ากายเป็นตัวเป็นตนเกิดเป็นขันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต่อขึ้นไปอีกเป็นกองทุ่ม ก, ก, กันลงไปแต่ ก, กายล้วนๆไม่เป็นอะไรมันบอกความเท็จความจริง เห็นกายสภาวะกายไม่ใช่จัตบุคคลตัวตนเราเขาเขาแสดงทําให้เราเห็นไม่ใช่เรารู้มันแสดงให้เราเห็ น, เ ห, นเห็นถูกเห็นทุกเกิดกับกายเห็นผิดเห็นถูกเกิดกับกายให้เห็นอย่าเข้าไปเป็นเกิกับกายมาดูกายตาในดู อชิยตาเนื้อดูสองกระจกสองเงาในกระจกอันนั้นเป็นกายนอกงามแต่กายนอกแต่กายในอาจจะไม่งามก็ได้เึงเห็นกายในทักท่วงเลยว่ากายสวากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาห่านไป ถ้าเขาได้ที่สิ่งต่างๆเกิดเกิดไปเอามาเป็นตัวเป็นตนกูร้อนกูหนาวกูสุขกูทุกข์กูปวดกูเ่อยอันนั่นก็ก่อยมันก็กักให้ให้ไปไม่ได้เป็นด่านที่มันกักให้ผู้เดินทางไปไม่ได้เมื่อหลงเตะต้ทนทางแล้วก็ไปไม่ถูกก็เลยบ่กวรอยู่นี่ ส ja ิ่งที่หลงก็เกิดความหลงสิ่งที่ทุกข์ก็เกิดความทุกข์ด้วยไปแต่ถ้าปฏิบัติสิ่งที่หลงมันเป็นสิ่งที่รู้เห็นความหลงเห็นความหลงนี่ทุกข์นี่หลงเห็นความหลงเห็นเหตุให้ไปเกิดความหลงเดียวเห็นของจริงเห็นของจริงอันประเสริฐ เนี่ยนั่นหลงให้มันสุขให้มาทุกเนี่ยมันมีอยู่ทุกคนอสุขเป็นสุขทุกเป็นทุกหลงเป็นหลงผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอะไรต่างๆมันก็วนเวียนอยู่นี่เรื่องเก่าทุกแล้วทุกอีกงมงงสาวๆอยู่อย่างนี้มันก็ไปไม่ได้ให้มันรู้รู้เห็น ลู่เห็นเนี่ยไม่มีคําถามมีแต่คาตอบอตัวเองต้องตอบตอวเองนี่คือหลงเจอกับความหลงนี่คือลู่เจอกับความรู้ความรู้ความหลงเป็นคู่กันเราก็เป็นผู้เห็นทั้งสองอย่างมันหลงมันจึงลู่มันลู่มันจึงเห็นความหลงอเห็นความหลงก็ผ่านความหลงได้ เ่อกายก็สักว่ากายไม่ใช่จัดอุกคนตัวตนโลเขาทุกคนปฏิเสธไม่ได้เห็นทุกคนโดยเฉพาะกรรมาฐานนี่เป็นวิชาที่กวนกวนให้เกิดอะไรที่เป็นเป็นทิศเป็นจริงในเรื่องของกายเมืเ่อเรากวนน้ำในบวกน้ำมีปลาอยู่ในน้ำจีตัวมันจะงอมขึ้นมา จะจับปลามก็จับได้จะจับงูก็เอาได้จะจับเอาก้อนอิฐก้อนหินก็ได้เพรตอนนั้นการกวนเนี่ยมันเป็นการทําให้ผูขึ้นมาเราอยู่กับกายเห็นกายนั่งอาจจะเป็นลีบทั้งอาจจะเป็นอีบเดินนั่งงานมันก็แสดงกายออกมามาเป็นอะไร เป็นสุกเป็นทุกก็ต้องได้เรเลยเห็นมันบางทีเดินยองกลมสอามสี่ชั่วโมงขามันแตกกอกขามันแตกมันก็ต้องแสดงละ่ะเดินไปนานก็ปวดเมื่อยนั่งไปนานก็ปวดเมื่อยแล้ ว, ว่าโ ส, สแสดงการแสดงอาการต่างๆเกิดกับกายเรามาเป็นตัวเป็นตน้น เราอาการต่างๆมาเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าไม่เห็นถ้าเห็นก็เลยว่าเป็นขี้ด้างไปเป็นอาการอย่างเนี้ยนี่ในชีวิตของเราทุกคนแล้วก็มีด่านอีกเวทนาที่มันสุขมทุกสุขทุกมันเป็นธรรมชาติอาการที่มันเกิดกับกายกับใจธรรมชาติแล้วก็เห็น เวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนโลาเขาสิ่งที่เห็นอย่างนี้ไม่ใช่วาจามันพูดมันเป็นดวงตาภายในคือสติอันเห็นมันก็เห็นแจ้งจนเกิดสมาธิทิว่าเวทนาสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์ปุกคนตัวตนเราเขานี่สมาธิทิเหมือนกับ ลุงอลุ่นของการเดินทางจับเส้นทางได้บ้างจะเห็นเอちなสุขเป็นสุกทุกเป็นทุกเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นสุขเป็นสุขเห็นทุกเป็นทุกเราก็เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกหรือว่ามิจฉาทิฏฐิแต่เห็นมันสุกเห็นมันทุกไม่เป็นผู้สุกผู้ทุกอันเนื้อเป็นสมหมาทิฏฐิได้จิต ทั้ก็มีอยู่มันคิดโน่นคิดนี้มันมีอยู่่็จะให้มันรู้สึกตัวมันหลันไม่รู้มันหลงไปคิดเรื่องอื่นแต่ก่อนก็มีศรัทธาแต่พมันคิดอุตสาห์มาพอมันเกิดคั้วเบือน่ายก็ขาดศรัทธามันก็คิดเบือนายการพวงๆแต่งๆแบบนี้เขารียว่าจิตที่มันไปย่องอารมณ์มันไปย่องจิต เป็นอาการเกิดกับกจิตมันใช่จิตก็เห็นมันจะเกิดความสุขความทุกข์ความรักความชังเพราะจิตจารับใช้จิตในประเภทนั้นถ้ารับใช้จิตมันสุข ก, ก็สุขมันทุกข์ก็ทุกข์มันรักก็รักมันชังก็ชังมันโกรธก็โกรธไปตามอาลงณ์ที่มาโยมจิตมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่ได้ถ้าเดินทางไปไมได้ทั้งไหนโซ่ไม่แจ้กุญแจไม่ไข ไปไม่ได้ธรรมที่มันเกิดกับกจิตหมายเป็นอารมณ์มเป็นความง่ว ง, งเหงาหอนตรามัลงเลยสงสัยความคิดพุ่งซ่านการมลคะปฏิคะอิจฉาพยาบาทเกิดขึ้นได้ในจิตมันเคยเปื้อนมามันก็ต้องฉายออกมาตามนิสัยปัจจัยของชีวิตเราที่ใช่ผิ ด, ผด จะ้หละให้โกรธให้สุขให้ทุกให้พอใจให้ไม่พอใจมันก็ติดมาชั่วดีเป็นตาเลนเป็นติดเป็นถ่ายภาพมาเหมือนการใช้ชีวิตแบบไหนมันก็ติดมาเหมือนเลนหน้ากล้องไปถ่ายเอาภาพอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าตัดต่อภาพไม่เป็นก็อ่าถ้าจะแสดงเป็นนักถ่ายภาพต้องดูมุมดีๆ ดูมดดุมดีๆมุมไหนมันชัดจึงกดแฝดเข้าไปมันจึงไม่เสีอหายชีวิตของเราเนี่ยมันถ่ายเอาตะพืตะเพอสุขก็เอาทุกข์ก็เอาโกรธหลงคิเลสตนาราคะไปบาดเอาหมดนีกันทุกคนเรื่องนี้ันเรียกว่าคิเลตตนา 108, ร่อยแปดเอ็นท ร, ร ม, มันเกิดกับปิดบางคนไปเอาอารมณ์ว่าเป็นจิตไม่ใช่ กูโกรธกูสุกกูทุกข์กูพอใจกูไม่พอใจอารมณ์มันไม่ใช่จิตมันเป็นสังขารมันปรุงบันแตง่งมันกลายเป็นพบเป็นญากเป็นเปนรเป็นชุนลกายพิ็นสัตวนรกติฉานได้ภูมิเนี่ยมันตำ่ำผ่าเลยมาก็เอาหมดพวกออกหมดว่าเราสุกเราทุกข์เราไอต่างๆนะแล้วว่าทำอารมณ์ เวลามันเกิดความม่วงขึ้นมามันก็ทำมันแล้วอ่อนแอะไม่เข้มแข็งแต่ถ้านักปฏิบัติแต่เข้มแข็งในความอ่อนเอะต่รู้ในสิ่งที่มันหลงจะเห็นมันทุกอย่างอะไรที่เห็นไม่เป็นเนี่ยมันเป็นมักมักคือดูมักคือเห็นอย่างเนี้ยเห็นเขาขายเขาเงัน ใครหลงเก่งก็รู้เจ่งตรงนั้นอาจจะดีกว่าคนที่ไม่เคยหลงงั้นคนทำงานทันทมันมันผิดนีประสบการณ์มากกว่าคนที่ไม่เคยทำงานอย่างนี้ประสบกับการทำงานมามากนักปฏิบัติผู้ปฏิบัติประสบกับปัญหาที่เกิดกับกายกับใจมามากทุกกรณีมันก็เจ๋งหน่อยแ้าใครเป็นอะไรก็รู้จักได้ เพราะมันเป็นอันเดียวกันฟังคับผู้ของเขาก็รู้รู้ได้เพราะมันอันเดียวกันเช่นความโกรธอันเดียวกันทุกคนความทุกข์วิเลยตัณหาอันเดียวกันพยาบาทก็อันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างจึงเป็นอันเดียวกันเราจะมาสอนอันเดียวกันเนี่ยเรว่าสากลแห่งธรรม เป็นเรารู้สึกตัวนั่งอยู่นี้ทุกคนมีสติมันก็คนคนเดียวกันจะเป็นหญิงเป็นชายไม่เกี่ยวข้องเพศใดวันนัดใดไม่เกี่ยวข้องมันเป็นอันเดียวกันถ้ามีความรู้สึกตัวถ้ามีความหลงก็ไม่ใช่อันเดียวกันแล้วเป็นคนละคนไปแล้วเราจึงเป็นอันเดียวกันนี่พระธรรมมันพระผู้มีพระเจ้าตัดไว้ดีแล้วอย่างเนี้ย เราไม่เห็นไม่รู้เราหนี้ปเสธแราหนี้แม้คนอื่นบอกเราปฏิเสธไม่ชอบไม่ถูกในิจใจกับเรามันก็เท่ากับปฏิเสธตัวเองปิดงหลงปิตาตัวเองบางทีไม่มีหอกมากผลไนพพานทุกวนันนี้อย่างนี้ปฏิเสธตัวเองได้่าเก่าถูกพระธรรมห้ไในหวงทางตามราย พระอะหันเป็นบาปปราชิกไม่มีอกาบบรรลุธรรมเลยมิจชาท่ทิ่ฐิแบบนี้เราจึงต้องศึกษาดูให้ดูมาดูมาดูคุยเจ้า ว, ว่าอย่างนี้เชิญมาดูเอหิปัจจิโกนี่เชิญมาดูโอปนัญิโกน้อมมาใส่ตัวเราน้อมเราก็าไปดูสิ เวลมันหลงน้องก็รู้มาหาเราอย่าเวลามันหลงเรกแข่งกระด้างมันมีหลงมันมีรู้มองเป็นสองกรณีอย่างเนี้ยได้ว่ามีทิศมีทางหลงทางทู่ทางอย่างเนี้ในเวลามันหลงให้มันรู้ตั้งแต่มันจะเป็นการดีที่สุดด้วยปฏิบัติเวลามันหลงไม่รู้ไม่ใช่นักปฏิบัติจนคนเกียจข้าน <c oughs> บุคคลผู้คุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดไม่มีสติไม่เสด็จความคิดออกแม้เธอเดินจะกลมอยู่นั่งสมาธิอยู่ก็ถือว่าบุคคลคนนั้นแหละเกียดข้าที่สุดอย่าเอาการเดินการนั่งมาเป็นเครื่องหมายส่วนผู้ใดเวลามาคุ้นคิดในลมที่คุ้นคิดมีสติรู้สึกตัวบุคคลนั้นเป็นคนขยัน โยจะวิชิตังชีเวกุสิโตห้มีลิโยวิลิยังอลปโตทันหนังน้งวงว่ดเดียนเคยพูดเรื่องนี้องค์ผู้เกิดข้านมีชีวิตอยู่ร้อยปีไม่ประเสริฐกับผู้มีความเพียรในวันเดียวหมายถึงอันนี้ไม่ใช่เกิดมานานเพราการเกิดไม่ใช่แตาจะเป็นคนแก่แก่เพราะความรู้ไม่ใช่แก่เพราะอยู่นาน เป็นคนงามงามที่น้ำใจไม่ใช่ใบหน้าก็จะสวยสวยที่จันยามไม่ใช่ตาหวานก็จะเก๋เกเพราะกลมลูปไม่ใช่อยู่ดานก็จะรวยรวยเพราะสินเพราะทำไม่ใช่บ้านหลังใหญ่โตอันนี้เป็นภาษาภายในงามน้ำใจแม่ร่างกายมันจะมอมแมมจับจอบจับเสียมมันก็ยัางงามในใจเช่นเบื้องลาง เคได้ยินไหมโ้ยล่างตำข้าวฝ่าฟืนอยู่ในสำนักปฏิวัติธรรมไม่ได้ไปฟังเทศฟังธรรมกับเพื่อนเลยว่าจะผ่ฟาฟืนตำข้าวทำอาหารให้ผู้คนกินแต่ทําไมได้บรรลุธรรมก่อนหมูเพราะมันอยู่ในใจมันงามอยู่ ตอกแต่ทำข้าวหัวไหลไข่ย้อยอาจจะโล่งเพลงเป็นเช่นนั้นเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหนื่อยก็ไม่เป็นไรรอนก็ไม่เป็นเลยทำงานก็ไม่เป็นไรว่าใจส่วนคนที่นั่งอยู่ใกล้กับใบจานเอาชิ้นเอาจังดีกว่าเขาโลดกว่าเขาไม่มีใครเจงกว่าเราในที่เนี่ยสามกันมั่นหมาย เลยไม่รู้ทำํำเลยอาจารย์สังฆะปไปยกองค์ที่ห้าประกาศให้ผู้มารับสังฆะปรียกแทนในองค์ที่หต่อไปลูกศิษย์ตั้งหลายแข่งขันกันอยากเป็นสังฆะปรียกเหมือนเขาเลือกตั้ง ส, อ ส, อ ส, อสอออ่อไตลูกศิษย์ก็แข่งขันกันอาจารย์บอกว่าให้เขียนโลกมาให้ดู เอากระดานไว้หน้ากติเราจะมีสรุกอะไรมาเขียนภายในเจ็ดวันอาจารย์เจ็ดวันแล้วจะออกมาดูลูกศิษย์คนก็ ค, คิดกับอาจารย์มาเขียนโชว์สติปัญญาของตนชีวิตเหมือนกระจกเงามันเค็ดตูอยู่เสมอ เราไม่เคยคนอื่นมาอานประตูไม่มีอีกแล้วเท่านี้พอแล้วไม่มีใครเขียนพิชิตในสรุคนี่เลยมีอาจารย์วิลาคนทาข้าวผ่าเพื่อนชวนเพื่อนเขาเขียนยังไงเขียนหนังสือเขาไม่ออกเขาเขียนว่าอย่างไงมาดูวันสุดท้ายมาดูวันสุดท้าย อ, อ่านไม่ออกอ่านได้ฟังหน่อยเขาเขียนยังไงเพื่อนก็อ่านว่าชีาาวิตจิตใจเหมือนกระจกเงาหมันเคลดถูอยู่เส ม, มอเหลาก็อบอกให้เพื่อนเขียนให้สักหน่อยได้ไหมเพื่อน ก, กนนน็เขียนได้จะเขียนยังไงเขียนตำําน้องมาเมื่อไม่มีกระจกเงาฝุ่นจะมาเกาะที่ใดใช่ไหอวันที่เจ็ดอาจารย์มาตรวจอยู่ สองสโลกสโลกหนึ่งของใครไม่โลสโลกที่สองของไครไม่โลอาจารเลยปรึกษาลกษูกศิษย์ผู้อยู่ห่างๆมาดูที่อันนี้สโลกของไข่นะสะโลกของไวลางไวลางอยู่ที่ไหนล่ะตังเข้าบ่าพื้นอยู่โ น, น่นตังเข้าป่าพื้นอยู่โ น, น่นก็เรียกไวลางมานี่ตั้งแต่ตีหนึ่ง อย่าให้ใครรู้จักเรียกมหาอาจารย์ที่กติเฮ้ยหลางเล็บตินเล็บมือผุพังไปหมดตํำเข้าปากื้นด้านไปหมดเลยฮะหน้าดาไม่ดีเลยอาจารย์ก็ยกบบะโจกจีวรไปออกจากวัดตั้งแต่เช้าเลยอย่ามาชวนนี่ไปี่อกจาวัดไปอาจารย์ก็ลบทั้งหมดโดยที่สุด ไม่เห็นอาจารย์มอบบาดมอบสังขาติให้ถามเอาคนที่อยู่ในวัดไม่มีมันก็อยู่กันหมดเนี่ยแต่เว่ายังหายไปไม่เห็นเวลาไม่มีผลค่าคิดเลยว่าคนอย่างนั้นจะได้มรดกทำเลยพ้าะ oh. ใจงานตามข้าวก็ไม่เป็นไรร้อนก็ไม่เป็นไรเหนื่อยก็ไม่เป็นไรวางปล่อยอไม่มีตัวไม่ตน ก็นั่งไกลคิดอาจารย์ปวดขาโอ้ยปวดไม่ไหวไม่ไหวตายตายหลวงพ่อมันปวดขาอันนี้ก็บินไปกระมันเลยได้เป็นอาจารย์ไม่หลังตามข้าปวดขาหลงไม่เป็นลายแขนปวดก็ไม่เป็นลายทุบก็ไม่เป็นลาหนาวไม่เป็นลาเดือดร้อนไม่เป็นลายฝนตกเปียกไม่เป็นลายหวาดไหไม่เป็นลายเห็นไม่เป็น ไม่เป็นไปกับอาการหลังตาที่เกิดกับกลายกับไปธนาจิตธรรมเนี่ยนี่คือผู้มีสติเรีวยกว่าเห็นไม่ใช่เป็นพอ เ, เห็นนี่ก็ไปกันได้ละปล่อยแต่พื่ต่พือหลอกไดแรกกับเรื่องเล็กแต่น้อยก็ไปเรื่องใหญ่ขึ้นโตขึ้นโ ต, ข, นตขึ้นก็จริงในภาวะนี่เปลี่ยนสังขารเป็นวิสังขารเห็นรูปธรรมนามธรรม โย่ลงมาเป็นการเห็นเห็นรูปกายใจนี่เวทนาจิตธรรมมันเป็นรูปเป็นนามไม่ใช่ตัวตนเหมือนเราสวดบางชี้นี่สเสังกาลานิจารังขารคือร่างกายจิตใจเหะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดต้องเส้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปนั้นมีจริงเอามาให้หลวงตาดูสิความโกรธเป็นไงเอามาให้ดูสักหน่อยความโกรธความทุกข์เป็นไงความรักเป็นไงความชังเป็นไงมันเกิดขึ้นมันเป็นสังขารมันเป็นการผงแตงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเท่านั้นเองแต่เราไปยึดเอาว่าเราโกรธ ว่าโลสุขว่าโลทุกถ้าความสุขก็พอใจในความสุขท่าความทุกข์ก็ไม่พอใจในความทุกข์อันความสุขความทุกข์ก็มีค่าไม่ลถชาติสำหรับเรามันให้ลถใงชาติหรือลถของโลกมันไปอย่างนี้นะเธอปฏิบัติไปอย่างนี้นะไม่ใช่ไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเทวดาตัวแดงๆ เ, เห็นพระพรหมสีเขียว ลูกเทวดาเทวดาอยู่ตามต้นไม้ภูมเทวดาเทาวราวตามแผ่นดินอากาศสาเทวดาเทวดาธรรมอากาศต้องฟ้าก้อนเมฆเราก็อยู่บนก้อนเมฆท่าสิบท่านหาเป็นเทพวา่าอยู่ชั้นว่าย้อน เป็นสวรรค์ของน้องอยามาของยูจีดินได้ยน้มเด้อยโมก็สาธุที่เงินใส่ขันสมขานแถมสม่านชอบร้องต่อบอกว่าใจร้อยเป็นผีใจดีเป็นพระไม่ชอบดอกให้ใจดีๆเป็นพระไม่เอายอกเป็นพระวิเศษจะไปยูได้ไหม ฝ้าขี่ฝ้าหย่อนหยอนนั่นจะไปอยู่ได้ไหมไปนั่งอยู่ก่อนเมฆได้ไหมแต่เป็นเทวดาต้องอยู่นน่นเนะาะมันจะอยู่ได้อย่างไงหลองตาขึ้นเครื่องบินรอบโลกมาแล้วไม่ช น, นชนก้อนขี่ฝ้าขี่ก้อนขี่ก้อ น, อนไม่เห็นบ้านเทวดาเลยเทวดานี่นั่งอยู่เนี่นี่เทวดาหลวงตาเทวดโอรสหลวงตาลงพระหวานจุลลา เป็นหมอพยาบาลเทพธิดาเทพบุตรคนพวกนี้ช่วยกันนะอมีเมตตากันต่อกันนะั่งมันช่วยกันได้ตอนต่อได้ชีวนะิตน่ะอยู่เดี๋ยวนี้ก็มีพวกนี้มาช่วยเทวดาพยาบาลเทพปบุตรคนหมอรัะะกษาโรคมะเร็งตายไปแล้วมาคืนมาได้นะี่ยเทวดาเทพปบุตรมีคนนี่เรามาช่วยกัน่ะ นี่เราจึงมาปลุกเสกคนให้เป็นเทวดาใจดีๆได้เป็นสวรรค์ถ้าใจร้ายได้เป็นนรกถ้าใจเยินได้เป็นนิพพานอย่ารอเมื่อตายไปแล้วเอาเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความหลงเปง็นความรู้เดี๋ยวนี้เดินไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้พ้นไปเดี๋ยวนี้ โกรธอยู่ที่บ้านเฮ้ยไปปฏิบัติธรรมสุขโตก่อนตอนนี้โกรธไปก่อนไม่ได้เปลี่ยนทันทีเปลี่องควมร้ายเป็นความดีดีเหมือนหน้ามือหลังมืออย่างเนี้ยเปลี่ยนทันทีปฏิบัติเคยเปลี่ยนร้ายเป็นดีอย่างเนี้ยมาเปลี่ยนมาหาัดมาเป็นเพื่อนกันมาดูไว้เห็นอันเดียวกันอาจารย์ท่านก็พานั่งปฏิบัติอันเดียวกันไม่เปลี่ยวเดียวได้ เหมือนสมัยพุทธเจ้าพราองค์อยู่คนเดียวคนเดียวไม่มีกะติไม่มีหัวใจนั่งเหมือนเราอยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์องคตาก็เข้าไปดูแจกมันทำลูกกลงไว้ไม่ให้คนเข้าไปคนจะไปเจอจิตต้นโพเข็บก็อยู่พ่อยู่ไม่ให้คนเข้าไป ใกล้ต้น okay ชีมหาโพได้หลวงตาเห็นตอนเช้าๆไปตั้งแต่ตีสองตีสามไอ้ไหว้ต้นฉีมหาโพเขมก็เพ่ออยู่เอาลูปีให้มันสองลูปีให้ด้วยให้แจกเปิดประตูให้แจกมันได้โดูพี่ก็เปิดให้มองหน้ามองหลังไม่เห็นก่อนนะเราก็ไปนั่งอยู่ก็ไนั่งอยู่ต้นชีมหาโพกาบ แท่นศิล า, านั่งเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่งต่อหน้าเราเราจ่อหน้าพระพีพระพักของพระองค์นั่งแล้วก็ไปโพลุ่นลงมาลงมาก็จะบหอกเลยเอามาถึงสุกโตเ่ยเอาให้พ่อจงไปตีรถตั้งแต่ปี527 อันนี้ก็คือโพธิอันนี้คือตัวปฏิบัญญาไม่ใช่ไปโพแต่นี่ไม่เป็นนิมิตได้อ่าะะนั้นเนี่ยนี่แหละสิ่งเสื่อมกิงมีไหมกายมีไหมกายนั่งอยู่นี่มีกายไหมมีเวทนาไหมมีสุขมีทุกข์ไหมมีรอดไหมหนาวไหมปวดไหมเมื่อยไหมมีหิวไหม อและเวทนาเป็นผู้หิวเลยเห็นมันหิวเป็นผู้ปวดหรือเห็นมันปวดเป็นผู้ง่วงหรือเห็นมันง่วงได้เป็นผู้ง่วงเป็นผู้หิวเป็นผู้ปวดไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่หลงตรงนั้นแล้วจิตไม่ไหมคิตอ่ะมันคิดไปถึงลําไปมาหดไหมไหมคิดถึงกรุงเทพไหไหมอะไรที่มันอดีตที่ผ่านมาเอามาคิดมีไหมหันด่านี้ แป็นคนคิดเก่งเหมือนกันเรื่องนี้โอ้ยหลอกเราอย่างมเม่นจำอะไรความคิดเนี่ยโถรๆๆๆๆมันจะหลอกให้เราหิ้วกะเผวกับบ้านเลยขนาดนั้นนะมองเลยโอ้ยเรามีฝีมือเรามีการทํางานเรามีข้อแม่ครั JI, วมาอยู่นี่สร้างใช่ไหมไม่ได้เลยเลยกลับบ้านเรามาป น, นี้ทํางานได้เยอะแล้ว หลอกมีเหตุมีผลเยอะแยะทุกคนมีเหตุมีผลเหมือนกันเอาความคิดว่าเป็นตัวเป็นดนให้มันหอบพิ้วเราไปเป็นสุขเป็นทุกข์ความคิดมีเหมือนกันบัดนี้เรามาเห็นมันเราตั้งใจใจะรู้อยู่เนี่ยเอามันคิดขึ้นมาเอา้าตื่น ต, นตนัเราเหล่ า, านี้เวลานี้เรามาใช่มานั่งคิดเรามามีสร้างสติเนี่ยรู้นี้รูน้รนี้เรามาสร้างตัวนี้ มัวแต่คิดอยู่มันเฉยเวลาเดินจงกองไม่ใช่เดินคิด เ, เราคิดไปกลับมานี่กลับมานี่กลับมาได้มันคิดไปกลับมามันคิดไปกลับมาเอาอลิบทีนิมิดนีตั้งเนี่เกาะไว้กาะไว้กาะไว้กาะไหเอาไปวางก็ง่ายที่ไม่คิดง่ายที่ลูกเอาไปตัวลูกมันมีมากขึ้นมากขึ้นมันก็เป็นธรรมดา ตัวหลงก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปถ้ามีตัวรูปมากกว่าตัวหลงจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพิสูจนตรงนี้กันบระพุทเจ้าถ้าทายตรงนี้ผู้ใดมีสติต่อเนื้อหนึ่งวันหนึงเจ็ดวันอย่างไวหนึ่งเดือนหนึงเจ็ดเดือนหนึ่งปีหนึงเจ็ดปีจะเป็นพระสารได้มีใครพิสูจน์ลงในตัววัดป่าสุกุโตขอเป็นเพื่อน มีเข้าห้งจินมีที่อยู่พี่ไม่ต้องเช่าเพราะไม่ต้องซื้อไม่ใช่เรื่องที่จะต้องทํากันเล่นๆนานเหลือกเกินในหมู่แถวพุทธบริษัทเราที่จะมศึกษาเรื่นี่จรงิงๆมีจมเรื่องอื่นกันมากมายงั่นเราขอถ้าทายในครั้งสอนพระเจ้าเราขอเข้าข้างพระเจ้าว่าอยากให้ทุกคนมาทํารล่องนี้ลองดู อ้าวแขวนแล้วละ ว, วันนี้หล่อนตาก็พูดทุกวันทุกวันอย่าเบื่อหน่ายนะ